นาปฏิวัณภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ767 1. นภิกษุณีนำกับปิยพันฑ์ที่เหลือไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น 2. พภิกษุณีขออนุญาตเจ้าของก่อนจึงนำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น 3. ภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. พภิกษุณีวิกลจริต 5. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิบคาบ ท, ที่7จบ